ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปฐุมในวันนี้จะนำเสนอตายณะสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคาถาของตายณะเทพบุตรที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวคาถา เป็นทำนองขอการรับรองจากพระพุทธเจ้าว่าคากล่าวของท่านที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นถูกต้องหรือไม่ท่านกล่าวแล้วท่านก็อันตรธานไปจากที่ประทับของพระพุทธเจ้าว่นรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเล่าเรื่องทั้งปวงให้ภิกษุทั้งหลายฟัง รับสั่งในตอนสุดท้ายว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงศึกษาจงเล่าเรียนจงทรงจำํำตายนกกาคาถาไว้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายตายนาคาถาประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจันทร์ก็อย่างที่บอกท่านผู้ฟังไว้ในวันก่อนว่า ในปัจจุบันนั้นคณะสงฆ์กำหนดให้เป็นบทสวดหลังพระปาฏิโมกือหมายความว่าทุกวันอุโบสถหลังจะทำปาฏิโมกแล้วก็จะมีการสวรดคาถาโดยเวลาไม่นานเท่าไหร่ก็ประมาณสักรวมๆสิบนาทีก็เริ่มต้นโดยนโม แล้วก็พุทังสนังกัจฉามิแล้วก็นัตถิเมแล้วก็ศีลุเทศปาฐะแล้วก็จบที่ตายนาการาเป็นคำสอนที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของตัวท่านเองเพราะว่าท่านตายนะเทพบุตรนั้นเคยเป็นเจ้ารัชทิมาก่อน แต่นี้ใ น, ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าลัชชิแล้วท่านก็กล่าวอะไรได้ขนาดนี้ก็แสดงเห็นว่าลทัทธิสมัยพุทธก่อนพุทธกาลก็ไม่ใช่เบาเพราะสิ่งที่ท่านกล่าวทั้งหมดเป็นความถูกต้องแล้วก็อยู่ในกลุ่มของอริมกักมีองค์แปดประการท่านบอกว่าท่านนไหลายจงพยายามตัดตันหาเป็นดังกระแสะเสีย เรื่องใหญ่เนี่ยคือตัดตันหาได้มันก็ถึงนิพพานเน่แต่ว่าตันหาในที่นี้เน้นไปในทางที่เป็นกระแสน้ำซึ่งพัดหมุนนำคนซึ่งตกอยู่ภายใต้อำนาจของตันหาแต่ละข้อเนี่ยถลางมากเนี่ยจะสูญเสียการส่งตัว ไม่สามารถกํากับควบคุมพฤติกรรมของตัวเองให้อยู่ในทิศในทางที่ถูกต้องได้ปตัญหาแต่ละข้อนั้นเป็นเรื่องใหญ่จนขนาดพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิจไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตุของตันหาแล้วตันหาชะเนติปุริสังตันหาเนี่ยทำให้คนเกิดขึ้นในโลก แล้วคนที่ตกอยู่ภายใต้ความอำนาจตันหาจะประสบความลำ บ, บากในขณะเดียวกันบุคคลไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการของตันหาที่บังเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันยิ่งกว่ามาสมุทรยิ่งกว่าแม่น้ำนะฮะนัติตันหาสมานดีแม่น้ำเสมอไดยตันหาไม่มี คือแม่น้ํำยังไงยังไงมันก็มีโอกาสเต็มแต่ว่าตัณหาภายในใจของมนุษย์ไม่มีโอกาสเต็มพำนองกับไฟที่ไม่อิ่มด้วยเชือ้อคือหมายความเอาไฟที่ลุกไหม้เนี่ยถ้ามีเชื้ออยู่มันก็ลุกไหม้ได้ตลอดก็โนดาตาปีอย่างที่ท่านเล่า ว, ว่าไฟที่เผาศพที่ท่าทศะะอสเมที ริมน้ำคงคาที่เมืองพาราณสีเผาศพมาเป็นเวลาหลายพันปีคือก่อนพุทธธรรมัยบางแห่งบอกว่าสามพันกว่าปีบางแห่งบอกว่าห้าพันกว่าปีเหล่ า, 5, าลลนี้ไม่เคยดับหมายความว่าก็ทำหน้าที่เผาศพมาตลอด แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยเป็นการท่านบอกว่ามันมีตะเกียงสมบับจุดไฟเพื่อมาเผาศพคือไฟที่เตานั้นก็อาจจะดับบ้างแต่ว่าไฟที่ตะเกียงซึ่งจุดไว้เนี่ยไม่เคยดับเพราะว่ามันมีการกำบังที่ดี ตัณหานั้นทรงจำแนกแสดงไว้เป็นสามประเภทแต่ว่ามีวิธีการนําเสนอเยอะมากอย่างยกตัวอย่างในสมุทัยสัตว์ในมาสติปทานสูตรทรงแสดงการเกิดของตัณหาทางอายตนาภายในอายตนาภายนอกทางวิญญาณทางสัมผัสทางเวทนาทางสัญญาทางสัญจิตนา ทางตัณหาทางวิตกทางวิจาร์คือหมายความว่าเกิดได้ทั้งสิบทางแต่ละอารมณ์ที่เรากระทบเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดตัณหาได้ด้วยกันทั้งนั้นลักษณะของเขาก็คือก่อให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อเนื่องกันไปไม่มีจุดจบสิน้นส่งใช้คำว่าโพโนพวิกา อยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้น้นก็อยากได้เร่ๆก็อยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นอาการที่ปรากฏชัดเจนก็คือลักษณะของโลภะราคะกับโทสะก็กลายเป็นการมาตัญหาคือจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากได้ในสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลพระเป็นธรรมรมณ์ แล้วก็หมายความว่าในลักษณะอย่างอื่นด้วยอยากได้ยานภาภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลพัธรรมรมอยากได้วิญญาณอยากได้สัมผัสอยากได้เวทนาอยากได้สัญญาอยากได้สัญเจตนาอยากได้ตัณหาซ้ำๆนะฮะนี่คือสิ่งที่ตัวอยากนก็อยากต่อแล้วก็อยกได้อยากได้ในสิ่งที่ตัวเองเหนียวนึกตรึกนึกคือวิตกวิจาร์เนี่ย มันคิดขึ้นมาแล้วก็เกิดความอยากในตัวเองตอนการไหลไปตามกระแสของตัณหาอย่างที่หรือจะส่งแสดงถึงสภาพชีวิตหลายหลายวิธีเนะ่ยคือคือแนวสังสารวัตเนี่ยจะทรงอธิบายหลายวิธีบ า, างครั้งทรงแสดงในรูปของอันต ร, รายอันต ร, รายเหล่านั้นที่จริงก็คืออาการของตัณหาทั้งสามประการนั่นเอง อันตรายในกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากก็คืออันตรายหนึ่งก็คือคลื่นคลื่นที่แรงแล้วคลื่นที่ชัดเจนก็คือคลื่นในมหาสมุทรก็มันแรงแล้วก็คลื่นลักษณะน้ำวนลักษณะของสัตว์ ร, ร้ายคือจระเข้หรือว่าปลาลายทั้งหลาย ขึ้นมาก็เหมือนกับอาการของโทสะหรืออาการของวิปวัตตัญหาไม่พอใจไม่ต้องการได้เป็นต้องการมีไม่ต้องการเป็นปฏิเสธแต่ในขณะนั้นถ้าเราดูสภาพจิตเนี่ยก็อยากได้อย่างอื่นน่ะคือการไม่อยากกินเนี่ยไม่อยากกินสิ่งหนึ่งก็คืออยากกินสิ่งอื่นไม่อยากดูสิ่งหนึ่งก็คืออยากดูสิ่งอื่นไม่อยากฟังสิ่งหนึ่งก็คืออยากฟังสิ่งอื่นเพราะอะไรเพราะเป็นอาการของกิเลส แล้วก็น้ำวนเนี่ยก็คือกามคุณด้วยความเราสังเกตว่ามนุษย์ในว่ายุคใดสมัยใดขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ก็หมกบุ่นวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผลประภะเป็นธรรมารมณ์ก็ตลอดเป็นอาทยากรรมเป็นศึกสงครามเป็นการรบราฆ่าฟันกัน เป็นสาภาพขวัญกระเจิงเป็นสาภาพ อ, อกสั่นขวัญแขวนต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็อยู่ตรงเนี้ยมันก็อยู่ที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่ปุถะพะที่ธรรมารมเพราะว่าเราได้เห็นได้ยินได้วางได้สุดด ม, มได้ดื่มได้ชิมแล้วก็จับต้องแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งไัยคือจระเข้ ก็หมายถึงความเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากหิวโหวยไม่ได้แล้วก็ตกเป็นธาตุของความอยากอยากดื่มอยากลิ้มอยากชิมอยากกินอยากรับประทานกระสารพัดอีกอย่างหนึ่งก็คือปลา้ายคือโบราณเนี่ยท่านแปลว่าปลาสลาม้ายแต่ก็มีประเด็นที่น่าคิดนะฮะคือว่าไม่ใช่กระแสน้านธรรมดา เพราะคลื่นเนี่ยที่ใหญ่แรงมันคลื่นในทะเลไม่จะคลื่นในแม่น้ำถ้าแม่น้าก็ต้องเป็นแม่น้ำที่กว้างมากแล้วก็น้ำลึกมากแล้วก็ยาวมากเราจะเห็นภาพสัดเพราะนัานภาพเหล่านี้ในอินเดียคือแถวมาสมุดอินเดียมันก็มีมีภาพให้เราเห็น เด็กไปน้ําใหญ่ใหญ่อย่างแม่น้ําคงคาแม่น้ำํำย ม, มุนาแม่น้ําอจิราวดีแต่ละแม่น้ําเนี่ยปัญจามานฑชีเนี่ยก็ถือว่าเป็นแม่น้ําใหญ่เพราะฉะนั้นก็เป็นบทเรียนได้ก็สรุปว่าตอบสนองตอบสนองไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มเพราะฉะั้นต้องบรรเทาไตรยะนะเทพบุตรก็บอกให้บรรเทาบรรเทา ตันหาที่เป็นดังกระแสน้ําซึ่งพัดหมุนถ้าแรงเกินไปเนี่ยคนก็จะสูญเสียการสูงตัวเพราะว่าตันหาคือต้องการเป็นต้องการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นเราจะเห็นว่าพอเป็นแล้วมันจะเกิดมานะวิปวะตันหานั้นไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นอย่า ง, ง, น, น, างนั้นแต่ก็หมายความว่าต้องการได้ไต้องการ ม, มีต้องการเป็นอย่างอื่นเป็นกิเลสประเภทค่อนไปทางโทสะ หรือถ้าเราดูคล้ายๆกับโลภะอย่างเดียวแต่ว่าอาการวิาวะตัณหาเป็นอาการของโทสะแต่ทั้งหมดมันก็มีโมหะอยู่ทั้งหมดแหละพนท่านยกเอาตัณหาขึ้นมาแล้วก็ย้ำเตือนว่าจงบรรเทากามทั้งหลายเสียเถิดพรามพรามในที่นี้ ก็หมายถึงผู้ประพฤติษษปฏิบัติก็ที่จริงก็ทั้งพรามณ์อแบบดีแล้วก็สมณนาพรามณ์มันต้องบันเท่าการามครำว่าการมในความหมายตรงนี้ไม่ได้หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวแต่หมายทุกเรื่องอ่ะคือจิตกำหนดด้วยความกำหนัด ว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องแล้วก็อารมณ์นี้น่าใครน่าปรารถนาเพราะฉะทั้งหมดมันก็เป็นกามถามว่าทไมมันเป็นกามอะเมื่อคนมันคิดถึงไปคิดถึงเรื่องน่าความใคราที่เจ้ารับสั่งตอนสัตรุใหม่ๆว่าสังกับรากโกบริษัทสกามโมความดำรินี่เป็นกามของมนุษย์ หมายควมว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยเราอาจจะกําหนดว่าหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจก็ได้ไม่กําหนดก็ได้หรือเฉยเฉยซก็ได้เพราะอะไรเพราะอารมณ์เหล่า น, นั้นเช่นสมมติเราสัมผัสอารมณ์คนเดินไปหลายๆคนเนีายไปเห็นรูปสวยสมมุติว่ารูปสวยรูปคนคนหนึ่งเขาว่าสวยคนหนึ่งอาจจะมีประเด็นที่ทุงติงและเห็นว่าไม่สวย คนหนึ่งอาจจะรู้สึกเฉยๆไม่พอใจไม่ยินดีอะไรก็ได้ก็แสดงว่ามันขึ้นอยู่กับเชื้อภายในใจกิเลสที่เก็บอยู่ภายในใจคือเชื้อภายในใจที่กําหนดว่ารูปสวยมันก็ไม่ได้มีมาตรฐานอะไรอย่างที่บอกว่ารูปสวยเสียงไพเราะนินหอมรสอร่อยสัมผัส น, น่าจะต้องในแง่ความจริงมันไม่มีอยู่โดยธรรมชาติ มันเป็นเพียงมายาที่เกิดขึ้นจากการปรุงคิดคิดปรุงของจิตซึ่งถูกครอบงำเรื่มนาคของกิเลสจากใดที่ว่ากิเลสมันปรุงจิตหรือกำกับควบคุมจิตอาจจะมองคล้ายๆกับแว่นสีคือไปเห็นไปตามสีของแว่นและมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าแก้ไขยากนะเพราะว่า ชาวโลกเราเป็นสัตว์โลกระดับกามาวัจจรภูมิการบรรเทาการบรรเทาที่ตัวความคิดบรรเทาที่ตัวความคิดเราเหนว่าแนวสีนเนี่ยที่มันแรงมากๆเนี่ยแรงมากๆก็คือการชุดฆาตอาจารย์จนถึงบางครั้งก็ข่มขืนกระทำชำเราแล้วก็ฆ่าอะไรต่างๆเราเห็นว่ามั น, ม, นมันรุนแรงมาก แต่ถ้าเราดูวิเคราะห์ถึงสภาพจิตคนเหล่านี้ที่จริงมันก็เหมือนกับคนผีสิงคือจิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก <S <S แต่ว่ากิเลส ท, ทำให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าเรียกสติขึ้นมาเนี่ยแกก็กลับตั้งหลักได้แต่ตอนนั้นมาเกิดอาการที่เขาชอบพูดประทันหาหน้ามืดคือกิเลสเข้ามาเนี่ยเหตุผลสติปัญญามันหายมันเป็นกฎก็มาเลย เพราะอะไรเพราะว่าการเข้มข้นของกิเลสคือการเข้มข้นของอวิชชาอาวิชชาเป็นความมืดบอดมันไม่มีระบบการคิดที่มีเหตุมีผลอะไรแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วถ้าย้อนหลังได้ในถามว่าจะทำไหมเขาจะตอบเขาไม่ทำแต่มันทำไปแล้วเพราะลักษณะของกิเลส ประเภทนี้ท่านจึงมีวิธีต่างๆเป็นนันมากการบรรเทาการมเนี่ยคืออย่า ก, กำหนดด้วยของกำนัดมากเกินไปให้มองความจริงที่แท้จริงคือตามปกติแล้วมนุษย์มันก็กำลัดซึ่งกันและกันนะฮะจะให้ความผู้หญิงกำนัดผู้ชายผู้ชายกหนัดผู้หญิงนะเวลานี้ก็มีค่อนข้างจะวิปริตเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะฮะ อถ้าเราดูในคำพีพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพิกุวิพังในตอนที่ว่าโดยศิษยาบทที่หนึ่งคือปฐมปราชิกเราก็เออว่าอันนี้มันเป็นธรรมดาสัตว์โลกแล้วถ้าเราไปดูจิตรกรรมผ้าผ น, นังปฏิมากรรมต่างๆที่ประเทศอินเดียซึ่งโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆเนี่ย เราก็มีความชัดเจนนะเขาอวบานุษย์มันก็เป็นอย่างเงี้ยโอกาสที่จะบรรเทากรรมมันจึงมีน้อยมักจะเลื่อนไหลไปตามกระแสของวัตถุกรรมแต่เราอย่าลืมอย่าลืมวัตถุกรรมก็เป็นกลางกลางนะฮะไอตัวยุ่งจริงๆคือจิตเราอ่ะกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในจิตเราเพลี่นวัตถุอย่างเดียวกันพระหันมองมันก็สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียง แต่เรามองก็มองไปตามใจที่เรากำหนดไปเอาแต่สรุปว่าจริงๆไม่มีอยู่อย่างสากลซึ่งก็เป็นความดีอย่างหนึ่งในโลกนะะถ้ามันเกิดมีความการกำหนดอารมณ์ว่าสวยด้วยการหลายๆคนยุ่งเนะ่มันก็เหมือนกับเรื่องรามเกียร์เนี่ยรามเกียร์ก็ดีเรื่อง อะไรพระภัยมณีก็ดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเรื่องอินเหนาเรื่องอะไรต่ต่างๆในวรรณคดีทั้งหลายเนี่ยลองสังเกตลองสังเกตก็แล้วกันว่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงแย่งผู้ชายหรือผู้ชายแย่งผู้หญิงกัน <Yeah. S 1> แล้วมีอสองเรื่องไงวรรก็ดีจากๆวงๆทั้งหลายามาอ่านด้วยและแม้แต่ในฉันดุกฉาดาดุก ห้าร้อยห้าสิบเรื่องถ้าเรานับปัญญาสนิบาศดกเข้ามาด้วยก็หมายความว่าหกร้อยเรื่องพวกเจ้ายุ่งวุ่นอ่เรื่องเหล่าเนี้แล้วรอบเดือดนี้ก็เป็นอย่างเนี้ยเพียงแต่ว่าทำยังไงจะบรรเทากันบ้างบรรเทาอย่างน้อยที่สุดให้อยู่ระดับหนึ่งก็คือไม่ประพฤติผิดในเรื่องเพศก็เรียกว่า เวณตามบทบรรัญญัติของสี่ข้อบทที่สามการ ม, มีสุนัขจ่าจานอาจจะไม่ถึงกับอภรรมแต่ถ้าสังคมเรารักษาศีลข้อที่สามได้นะเราจะเห็นว่ามันไปเข้าที่หกเรื่องสามีพัญญาสามีก็ไม่นอกใจพัญญ า, ญญาก็ไม่นอกใจสามีเวลาพระเจ้าสอนเรื่องนี้ทรงวางไว้ข้อที่สามทั้งคู่ สามีก็ไม่นอกใจพัญญาพัญญาก็ไม่นอกใจสามีก็สามารถกันสามารถจะอยู่ร่วมกันแบบเทพบุตรกรเทศธิดาไ ด, ได้ตัวยุ่งเนี่ยมันคือจิตไปกำหนดด้วยความกำหนัดกำหนดว่ารูปสวยกำหนดว่าเสียงไพเราะ ก, กำหนดว่ากลิ่นหอมกำหนดว่ารสอร่อยกาหนดว่าสัมผัสหน้าจับต้อง เพราะเวลาพระเนี่ยบุญเจ้าสอนให้พิจารณาพวกปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ก็คือรูปสังกกจรถผลิรภัธรรมรมนั่นแหละแต่มันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการดารงชีวิตเพราะน่นก็ขอเพียงสำเร็จประโยชน์ก็แล้วกันหรือถ้าเราคิดได้อย่างนั้นเนี่ยวันก่อนเจอโยมผู้หญิงคนหนึ่งลืมชื่อท่านไปแต่ว่า ท่านเป็นล้ศิกรรมาฐานชุดแรกท่านก็มีประสบการณ์ท่านเล่าอะไรให้ฟังได้เยอะแต่ามาก็ลืมหมดแล้วเพราะว่ามันเราก็บรญยาปรุง ม, มาเยอะคือท่านท่านไม่ต้องการมีอะไรเกินจากที่จำเป็น พอเราถามซีดีดีวีดีอะไรต่ไรต่างๆเครื่องเล่นเหล่านี้ไม่มีอิทยุหโทรทัศน์อะไรถ้ามีก็ ม, มีของเก่าอย่างนี้ก็เออโยมคนนี้ได้ผลเนี่ยก็อายุแปดสิบห้าก็ยังแข็งแรงอยู่ยังเดินเหืนคล่องอยู่ก็ฟังแล้วก็ชื่นใจเนะี่ยก็พอตอน ตอนเที่ยงตอนเที่ยงของวันอาทิตย์ก็มีคนมาแสดงความหวนไกไถึงโรคภัยต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับเบาหวานน้ำตาลมากน้อยอะไรแต่ไรเนี่ยบอกว่าอย่าไปติดใจมันมากเลยมันก็อยู่ได้เวลาตายมันก็ตายด้วยรักษาหายมันไม่ขาดหรอกมันสำคัญว่า พยายามกากับควบคุมอย่าจนถึงกับเป็นอันตรายเท่านันเองเทวบุตรสอนตอนนี้พูดในแนวของการบรรเทาอย่ากำหนดมากเกินไปคือเราเราไปรับเงื่อนไขที่สังคมเขากําหนดให้เราคิดอย่างที่เขาต้องการให้เราคิดอันนี้คือสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างพวกโบชัวต่างๆหรือว่า การโฆษณาต่างๆนี่เห็นชัดเจนนะฮะว่าจะมีลักษณะกระตุ้นเร่งร้าวให้เกิดความปรารถนาความต้องการแล้วก็ตอบสนองกันไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อไรจะเต็มเมื่อไรจะอิ่มเมื่อจะพอความก็โฆษณาบัานหรือว่าดูโปสเตอร์ต่างๆที่เขโฆษณาบัานห้าสิบล้านหกสิบล้านสี่สิบล้าน โอ้โหยังนึกว่าบ้านใหญ่โตขนาดนี้ไม่ใช่เล่นนะค่าใช้จ่ายต่อ ว, วันเนี่ยไม่ใช่เล่นแต่ว่าคนก็มุ่งส่วนหนึ่งมันเป็นการต้องการความมีหน้ามีตาต้องการแข่งขันกันแล้วก็แม้แต่สื่อนะฮะมีกิจกรรมในลักษณะเนี้ยโปรโมท ไอ้ความหรูหราฟุฟ่มเ ฟ, ฟือยทั้งหลายนี่อยู่เยอะมากก็แสดงว่าไปไปสร้างเงื่อนไขให้คนอื่นคล้อยตามเห็นตามเวลาการการมองเนี่ยต้องมีความเป็นตัวงตัวเองสูงต้องถามให้ได้ว่ามันได้ประโยชน์อะไรคุ้มค่าไมมมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรแล้วก็พยายามบันเทา ตนตรงนี้เ้าเรียกว่าสุภนิมิตคือกำหนดว่ารูปสวยกำหนดว่าเสียงไพเราะ ก, กำหนดว่ารถระ ด, อ, ด อ, อยสัมผัสกาหนดว่ากลิ่นหอมสัมผัสน่าจะต้องใครกำหนดใจกำหนดใจสุขใครสั่งให้กำหนดกิเลสมันสั่งให้กำหนดเพราะงั้นถ้าเราไม่บรรเทากิเลสแล้วยังไงยังไงมันก็แก้ยาก คือยังนึกว่ามันปนัญหาเหล่านี้คงจะเป็นปนัญหาอีกอีกเยอะมากเพราะจากการดูข่าวคราวต่างๆหรือว่าเจอคำถามหรือว่าดูข่าวและยินข่าวอะไร น, ะนึกว่ากระแสของการมาติหากับภาะวะตัณหานี่จะแรงมากเพรา ะ, ะไรเพราะมันกลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้ได้มาสาร คื อ, าาอาสามารถสามารถโมหน้าจิตใจของบุคคลให้อ่อนไหวไปได้วยกระแสตัณหากับภาวะตัณหาได้เนี่ยและต้องจืนเดินมันไม่สงบลองสังเกตว่าตั้งแต่นอนตั้งแต่เดือนอะไรละ่ะกุมภาสี่เก้าเป็นต้นมามีแสดงความอยากได้อยากเป็นของคนกลุ่มหนึ่ง จนพาสังคมมีรอยร้าวปริแยกนะสังคมปัจจุบันเนี่ยมีรอยปริแยกแล้วก็กินใจกันลึกๆแล้วก็บางบ้านเนี่ยอาจจะออกมาแล้วนั้นก็คือถือพักการเหมือนคนละพักแลแสดงความชื่นชมต่อคนคนละคนปรารถนาให้คนที่ตัวเองชอบเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรี และพวกนั้นเองก็อยากเป็นแล้วก็มีลูกน้องอยากให้เป็นเราจะเห็นว่าตัณหานี่มันคิดถึงตัวเองนะตัณหาเนี่นคิดถึงตัวเองเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีตัวเลือกหนึ่งที่เรียกว่ามีความมีศักยภาพสูงที่สุดมีความรู้มีความสางังข์มีความสามารถมีผลงานดีเด่นแลพิสูจน์ได้ แล้วก็มีคุณธรรมในการกำกับตัวเองได้สามารถพิสูจน์ทดสอบได้โดยกรรมวิธีทางกฎหมายหรือว่าทางสินธรรมแต่ไม่ใช่ไปไป้ายสีเขานะฮะเพราะสังคมเราในปัจจุบันก็มีลักษณะป้ายสีเยอะมากยังยังความคิดเนีย่ยที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเวลาเขาพูดถึงพระดีเนี่ยเขาพูดถึงพระรูปนี้ดี เวลาพูดถึงพระไม่ดีเนี่ยเขาบอกพระเดี๋ยวนี้ไม่ดีหรือแสดงออมาภายในจิตใจนั้นมีวิหิงสาอยู่เยอะมากมีจิตคิดบิดเบียนอยู่เยอะมากมันเป็นทั้งคําหยาบมันเป็นทั้งโกหกมันเป็นทั้งยุ่ยเกิดความแตกแยกแล้วมันก็เป็นทั้งเพอเจอคือเรารู้ได้ยังไงว่าพระเดี๋ยวนี้ไม่ดีเราโ อ, าอไรมาว่ัต่ะพระเดี๋ยวนี้มีกี่ล้านนะทั่วโลกเนี่มี มีเท่าไหร่แล้วพระรูปนี้ถือว่าดีนะรู้ได้อย่างไงว่าดีเราพิสูจน์ทดสอบโดยกรรมมิทีในการทดสอบวัดพระและหรื่อยๆมันก็เปล่าเพราะการดีมันเป็นความชอบส่วนตัวหรือไม่ดีก็คือไม่ชอบส่วนตัวแต่ว่าขาดความรับผิดชอบประคุณอาศัยคนหนึ่งคนเดียวไปหมอมโลอย่างนั้นไม่ได้ เช่นว่าส ก, กูลก็เป็นมีคนไม่ดีอยู่คนหนึ่งแล้วบอกคนะ ก, กูลนี้ไม่ดีไอ้คมว่าคนส ก, กูลนี้หมายถึงทุกคนในส ก, กุลนี้ถ้าเราต้องการจะพูดได้ชัดก็ต้องแยกตัวมาไม่ดียังไงเนี่ยต้องแยกเข้ามามันไม่ใช่ไปทาให้คนอื่นเขาเปื้อนด้วยนี่คืออะไรฮะมันเกิดมาจากต้องการให้พวกตัวเองได้พวกตัวเองมีพวกตัวเองเป็นแล้วก็ตนจะขอโดยสารด้วย ขอโดยสารได้ขอโดยสารมีขอโดยสารเป็นกับพวกตัวเองด้วยก็ต้องลงว่ามันไม่เนื้อว่าชาติบรรมึงจะได้อะไรแต่เนึกว่าพวกของเราจะได้เป็นอะไรความคิดอย่างนี้อาการหนักนะฮะพูดถึงธรรมะพิบาลนะมาอย่างสงสัยว่าเขาเข้าใจธรรมะพิบาลกันขนาดไหน ก็เพียงแต่พูดหรูๆแล้วก็อาภาษาอังกฤษเข้ามาอ้างควรังประเทศไหนที่ประสบความสาเร็จด้วยระบบธรรมิบานทำไมไม่มยกตัวอย่างของเราเคยประสบความสาเร็จนะสมัยสุโ ข, ขทัยก็ถือว่าเป็นระบบธรรมิบาลและในกรุงรัตตะโกศินก็มีหลายช่วงที่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า ธรรมาพิบานใะนตอนหลัเนี่ยแม้แต่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองเพระองม์รมรมรมาจูรการเนี่ยคือถ้าเราเดินได้ก็คือธรรมาพิบานครองแผ่นดินโดยธรรมประโยชน์สั้นๆทุกอย่างยุติโดยธรรมเป็นธรรมเชี่ยงธรรมสอด ร, รับกับธรรมแน่นอนถ้าความคิดอย่างนี้เกิดมันก็ไปบรรเทาตัวกลางทั้งกาตนาหาทั้งปวะตัตนหาห์แล้วก็ทั้ง ว, ะวะิภวัตนาห์ แล้วก็ประเด็นต่อไปท่านบอกว่ามุนีที่ลา ก, กามทั้งหลายไม่ได้ย่อมไม่เข้าถึงความที่จิต แ, แน่ๆได้คือหมายความว่ากามเนี่ยมันเป็นอุปสรรคคือกามฉันประเด็นนี้ท่านผู้ฟังโปรดเข้าใจนะว่ายังไงไม่ได้พูดถึงถึงนิพพานแต่พูดสูงนะพูดถึงรูปฌานอะรูปฌานมุนีแปลว่าผู้รู้หรือผู้่ง ตรงนี้เนี่ยแปลว่า น, นิ่งอะไรอารมณ์ไม่โยคลอนวันไหวด้วยความยินดียินร้ายเพราะงั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าบางครั้งเราก็เรียกก่าจอมมุนีก็เป็นผู้รู้เป็นผู้นิ่งเป็นผู้สงบจากอากุศลบาปธัรมส่วนหนึ่งก็เป็นรูปแบบ แต่งเนื้แต่งตัวเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความเป็นมุนีแต่ถ้าละกาลทั้งหลายไม่ได้ละในที่นี้ไม่ถึงดับนะฮะคือดับโจะเป็นพระนาคามีละก็พูดระดับบรรเทาพูดระดับนิวรณ์พูดถึงระดับนิวรณ์คือกามฉันนิวรณ์ ก ร, รมฉันนิพน์มันเป็นอาการของจิตที่เป็นเหนียวนึกตรึกนึกถึงสิ่งที่จิตใคราจิตปรารถนาจิตพอใจอารมณ์นั้นอาจจะเป็นอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ได้ถ้าเราซึ้งงงไปได้มันก็จิตไม่ถึงเอก ก, ะกะตาคือจิตไม่เข้าถึงสมาธิพวกนี้ก็เป็นปฏิปักษ์กันระหว่างก ร, รมฉันกับสมาธิเนี่ยหมายความว่าเกิดไม่ร่วมกัน สมาธิปรากฏกรรมฉันสงบไปจากจิตถ้ากรรมฉันยังไม่สงบจากจิตก็แสดงว่าจิตไม่มีสมาธิตัวนี้เป็นมาตร์เลยเป็นมาตรวัดสากลแล้วก็ได้ข้อยุติที่ง่ายประการต่อไปเนี่ยท่านบอกว่าถ้าบุคคลจะพึงกระทำความเพียร ถึงทำความเพียรนั้นจริงๆกริยาเจกริยาเถหนังดันหะเมหนังปรักะเมถ้าจะทําความเพียรจะต้องทำโดยความบากบันมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังไม่หวาดหวันพันธุพึงไม่ท้อถอยเพราะนั้นความเพียรจริงมันมาจากวีระในแปลว่ากล้าหานที่เราเขียนในไทยว่าเพียรนะฮะแต่ว่า เวลาเราเรียกไม่ทราบเป็นยังไงเคยกลายเป็นวิริยะไปที่จริงมันเป็นวีริยะแปลว่าความกล้าหาญไม่ประวันพรันพึงไม่หวั่นไหวไม่ท้อถอยต่อปัญหาอันตรายต่างๆบางครั้งเนี่ยพระเจ้าทรงเปรียบเหมือนกับผานไทยผานไทยนี่มันลุยไปข้างหน้า คือขูดคุยทำลายดินหรือตอไม้อะไ ร, ต, รต่างๆถ้าไม่ใหญ่เกินไปเนี่ยคือถ้าเทียบทรกเตอร์แล้วก็จะชัดมากความเพียรบางอย่างมันต้องมีลักษณะเป็นทรกเตอร์อหละปัญหาภสักคันเยอะขัดขวางเยอะแล้วต้องเอาจริงกาจังแต่ทีนี้งานเหล่านี้เราจะเห็นว่าเป็นงานส่วนตัวนี่ทำได้แต่สมมติเราจะใช้ ความเพียรพยายามในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยไม่ต้องเจอปัญหาอุปสรรคเยอะกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเยอะเมืองไทยเนี่ยถ้านายกรัฐมนตรีเกิดดีๆขึ้นมาเอาจริงหมดทุกเรื่องเลยขจัดปัญหาอุปสรรคอันตรายตั้งหลายให้ได้แล้วก็โดนรุมสกรัร ม, มาครับ เพราะอะไรเพราะสักโซสสะสมปัญหาไว้เยอะมากอำนาจอิทธิพลเถื่นต่างๆมันกระจายอยู่ทุกส่วนของสังคมแล้วแก้ไขได้ยากนะเพราะว่ามันมันคล้ายๆกับลูกปุ่งมันกดตรงหนึ่งมันจะไปปุ่งตรงหนึ่งกดตรงหนึ่งจะปุ่งตรงหนึ่งแล้วถึงจุดหนึ่งก็ระเบิดตอนบางอย่างมันอยู่กับโรคแต่ก็เลี้ยงโรคเอาไว้ เราจะแก้เป็นเ็จเด็ดขาดมันแก้ไม่ได้นี่คือคือความเป็นโลกโลกมันก็เป็นอย่างนี้เราจะเอาร้อยเอร์เซ็นให้ได้จริงๆมันไม่ได้และโดยเฉพาะในยุคยุคปัจจุบันไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะเราหยุดการไหลบ่าอย่างแรงในสี่เรื่องนี้ไม่ได้ในเว่แบบนี้มันก็มาหมดแล้วมาทางเราเทียบ ม, มาทางไรตะไรต่า ง, ๆ, างๆหมดแล ผลความเพียรพยายามที่จะต้องกระทำจะต้องยอมรับความจริงว่าบนเส้นทางที่ก้าวไปสู่ความสาเร็จทุกเรื่องมีปัญหาประสัคหมดสู้ไหมละ่ะถ้ากลัวก็จบคือไปไม่ได้แต่ถ้าสู้กับปัญหาประสักเหล่านั้นจนถึงกับประโยคหนึ่งใครจะพูดก็ก็ไม่ไม่ทราบนะฮะแต่อยู่หนังสือหลวงวิจิตวัทาการ บอกว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากกำลังมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพูดออกไปแต่ว่าคิดไว้แผในใจคิดไว้แผในใจว่าชีวิตต้องสู้ถ้ามีศัตรูมีปัญหามีอะะุปสรรคกัดขวางอะไรก็ถือว่ามันเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของเรา มันไม่มีชีวิตอะไรที่ราบเรียบไม่มีปัญหาประสักรหรกับเพราะงั้นท่านจึงเน้นเลยะกะยาเจกะยาเทนังดันทะมรนงมีนา ง, งประรักเมีนี่เขาสอนตั้งแต่นักรรมตรีเลยนะตอนนี้เอาไปใช้นักรรมตรีแล้วก็สอนตั้งแต่เด็กเพราะงั้นภาษิตในตายณะขาถานี่จะไปอยู่ในหลักสูตรต่างๆนี้เยอะคือตัดเป็นตอนมาตอนมาตอนตอนไป ก็ความเป็นประโยค์ประโยค์ไปก็พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าก็มัอนอะไรล่ะประกอบด้วยประโยชน์คือเรียบเรียงมาดีจัดลำดับความต่างๆมาดีและรับสั่งว่าเพราะว่าสมณธรรมเครื่องละเว้นที่ย่อหย่อนยิ่งเกลียดโทษหลุดทุลี หมายความวาการปฏิบัติตนพัฒนาตนเนี่ยถ้าเราเหยาะแยะแล้วเนี่ยมันจะสร้างปัญหาเยอะสร้างปัญหาสร้างอุปสรรคเยอะแต่จีนี้การการทำงานอย่างเนี้ยเมื่อประมาณพศสองพันหร้อยหนึ่งนะฮะเอามาอยู่ที่ต่างจังหวัดพระอาจารย์ท่านถูกส่งไปเป็นเจ้าเจ้าวาดที่วัดนั้น แล้วท่านก็มายื่นคำขาดกาตามาว่าถ้าคุณไม่ไปผมไม่ไปนะคุณตกไปด้วยเราไปเจอโอิทธิพลเยอะมากแม้แต่ในวัดเนี่ยนะเด็กสะสมปัญหาอยู่แปดสิบคนค อ, อาจารย์ตาอาจารย์ศึกเด็กก็ติดอยู่ในวัดนะไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีใครดูแลฝากุติอะไระอะไรต่งตางๆถูกดึงถูกทึ ง, ง, งเอาไปทำไม้ฟืนหุงข้าวโอ้โหเรื่องใหญ่เลย ว่าจะจัดการกับปัญหานี้ได้ในี่ใช้เวลาหลายเดือนเรียกมาคุยได้ก็คุยคุยไม่ได้ทำยังไงไม่ได้ก็ต้องให้ออกไปบางทีก็ถูกขุมปูคุกคามโอ้น่าดูสนุกแต่ก็ออนไหวไม่ได้อะนะคือมันใกล้ๆกับข้ า, า, า, าสนามรบแล้วมันก็ต้องรบเลยอะ เกิดเดนนี้วัดก็จเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่นั้นไปต้นมานะฮะเราขจัดปัญหาประสาคเหล่านั้นมั น, ม, นมันสะสมมานานมากซึ่งถ้าหากว่าเราอ่อนแอเนี่ยวัดมันกลายเป็นแก๊งแต่ก็มีความเสี่ยงแต่ต้องไม่กลัวเราใช้วิธีของพระเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีรุนแรงหรอกรใช้วิธีของพระ พูดคุยกันอธิบายกันประชุมกันทดสอบกันแก้ไขกันและเด็กรุ่นนี้ทุกวันก็อายุก็หกสิบป่าแล้วนะก็ยังเจอกันก็กยังเคารพน้ําถือกันดีอันนี้คือการกระทำอะไรก็ตามถ้าเราปล่อยสะสมหมักบ่มนี่มันมีปัญหาโรวม่จริงมาเป็นห่วงเป็นห่วงสถานการณ์ประชาสนา เราก็เรียบเรียงหนังสือพูดจาเยอะมากจนบางครั้งบางคราวเขก็ไปมองใกล้ใกล้กระโจมตีผู้ใหญ่แต่ที่จริงเราห่วงใหญ่ประศาสนาคือมันมั น, ม, นมันเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ปรวิศาสตร์ศาสนาเนี่ยไม่ได้อ่านอย่างอย่างเพื่อจะตอบแต่อ่านแบบวิเคราะห์แล้วก็คิดแล้วก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่าตรงนี้ตอนนั้นที่เป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็จะ ทำอย่างไงถึงจะไม่เป็นอย่างนี้แล้ะงั้นการกระทําอะไรก็ตามเราเรียนหนังสือก็ตามปฏิบัติก็ตามถ้าหย่อแยะไม่ประสบความสําเร็จศาสนาพุทธจึงเป็นวิริยณวัตีและเป็นกรรมวัตีทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการกระทําแต่การกระทํานั้นจะต้องใช้ความเพียร ในกาในขณะที่ใช้ความเพียรจะต้องมีสติสมญญัมยากรรมกับตัวความเพียรกำหนดทิศทางของความเพียรให้เดินไปในทางที่ถูกต้องซึ่งแน่นอนจะพูดยังไงก็ตามจะอยู่ในกรอบของสมางมาบัญมัตแต่อย่าลืมว่ามันมีปัญหาประศักคเยอะอันตรายก็เยอะในชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ย คือถ้าไม่มีอันตรายไม่มีปัญหาไม่มีบุษักเลยก็นึกไม่ออกนะมันไม่ใช่โลกอนะ่ะพระพุทธเจ้าเราเองก็ยังเผชิญกับปัญหาบุษักอันตรายการประดิษฐานพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเรามานั่งอ่านหนังสือเนี่ยมันใกล้ใง่ายนะฮะแต่ถ้าเราดูในพระวินัยบินดกดูในพระสูตรเป็นนันมากแสดงว่า เบื้องหลังของวินัยบางข้อเนี่ยมันมีปัญหาประสักอยู่เยอะแต่ต้องนำํำพาองคอ์กรให้ได้แล้วก็องคอ์กรจะต้องแข็งแกร่งจเจริญเติบโตจนเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ผลลัพธ์การสําคัญเนี่ยก็คืออัตยิอัตโนโนอัตโหนเนตนเป็นที่พึ่งของตนหมายความวาปฏิจจสมชนแต่ละคนจะต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ และในขณะเดียวกันเมื่อรวมกันเป็นองค์กรรับผิดชอบในภารกิจการงานต่างๆที่ตัวเองจะต้องจัดจะต้องทาได้เราเยอะแยะเยอะนะฮะเราอ่อนแอเยอะปัญหาเหล่านี้เราจะเห็นว่าเราออกมาพูดกันปัญหาอย่างเนี้ยเช่นปัญหาเรื่องโปเปลือยทั้งหลายเนี่ยอ้พูดกันมานานเลกันเลยแล้ว นานๆตำรวจจะเอาเจงนาทีหนึ่งบ่อนการพันนันการค้าขายมนุษย์แรงงานทาสค้าของเถื่อนอาวุธเถื่อนสารพัดเห็นไหมเราย่อแยะเพราะย่อแหญมันก็หมักหมมสะสมปัญหาโบราณก็พูดถึงดินพ่อขางหมู แล้วก็หาคนรับผิดชอบไม่ได้มันเกิดอาการอย่างหนึ่งเขาเรียกโยนกลองหาคนรับผิดชอบไม่ได้ทางทางที่มีตัวตนมีตำแหน่งหนะ้าที่การงานว่าเธอต้องรับผิดชอบตรงนี้แต่หาคนรับผิดชอบไม่ได้ตัวเ่อ น, นี้มันก็ใช้จะยกตัวอย่างวัดเนี่ยวัดถ้าเราใช้แนวเป็นการรับผิดชอบร่วมกันขององคอ์กรสูงอย่างที่พระเจ้าทรงวางไว้เนี่ย วัดมันจะขับเคลื่อนไม่ได้ตละแต่พอไปมอบให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสมภารสมภารเป็นเจ้าของวัดไปเลยถ้าสมภารแกร่งดีเข้มแข็งมันก็นำพาองค์กรไปได้แต่ถ้าสมภารเกิดไม่ตั้งใจจริงหรือว่าไม่มีเวลาหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีปัญหาแล้ะ อันนี้คือเป็นสิ่งที่ที่ที่น่าห่วงองค์กรองค์กรสงเองเราก็ร ก, ก็เป็นห่วงมันจะต้องมีข้อแม้อะไรบางอย่างนะเพื่อจะขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆอะไรก็ตามให้งานมันเดินได้แต่ว่าตัวการนัาคัญเนี่ยตัวปัจเจกชนแต่ละคนในในองค์กรอะไรก็ไม่รู้ อย่าให้มีปัญหาในตัวเองให้รับผิดชอบในการปฏิบัติในการพัฒนาตัวเองรับผิดชอบในตัวความรู้ความคิดตัวความสามารถและก็ตัวคุณธรรมของตัวเองมีความต่อเนื่องเหยาะแยะไม่ได้ก็พยายามพันฝ่าอุปสรรคอันตรายเพื่อบรรลุผลที่ต้องการให้ได้ นี่เป็นหลักการสำคัญทุกข้อนะทุกประโยคท่านสาาชนทั้งหลายจะสังเกตว่าทุกประโยคเนี่ยเป็นวลีทองเป็นประโยคทองด้วยกันทั้งนั้นเป็นหลักการปฏิบัติพัฒนาชีวิตมนุษย์ถ้าทำได้เนี่ยสูงส่งทีเดียวทุกฝังเท่าไหร่เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรู์ในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี